ในสังสารวัฏที่ยาวนานยาวนานขนาดที่เรียกว่ามันไม่สามารถนับตายได้ เอ่อสมุทรตั้งแต่เอาตั้งแต่อ่าตั้ง นะเมเลทไซด์ 1 เมเลทเท่ากับจํานวนกับเท่ากับ นะ, 1 กับนะครับนี่มันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสูง 16 โยดกว้าง 16 โยดแล้วก็ยาว 16 โยดขออภัย 1 โยดคือ 16 กิโลเมตร นะไป 16 km, ไป 14 กิโลเมตรไป 16 กิโลเมตรนะทุกๆ100 ปีเนี่ยก็จะมีทุกๆ100 ปีนะ 1 รอบแล้วก็เอาผ้าจาก 1 กับทางฝั่ง มันราบหายไปจนทั้งราบเรียบไม่มีเหลือนะ 100 ปีรูป 100 ปี 1 นะจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยหมดไปตรงปิงวังยม นะมาเลสายกี่ 1 เท่ากับ 1 กับกับ 1 ไม่ใช่แค่ว่าภูเก๋าหินพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเอ่อไว้หลายอย่าง นั่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้ไม่เอา นับต่อไปอีกนั้นก็นับไปเรื่อยๆจะ 1 กับท่านผู้ฟังนั้นปริมาณน้ําตาที่คุณเก็บสะสม มหาสมุทรทั้ง 4 เนี่ยปริมาณน้ํานะของน้ําตาที่เราไหลออกมาจากตาของเราเนี่ยนับไป มันยาวนานขนาดนี้แล้วปริมาณเมล็ดทรายเท่ากับ 1 กัปเนี่ยตั้งแต่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาจนถึงเท่านี้ชาติแสนชาติล้านชาติหมื่น บางทีประชาก็เปรียบเทียบนะท่านฟังไอ้เจ้า 1 กลับเนี่ยมันยาว 16 โยชน์กว้าง 16 โยชน์ยาว 16 โยชน์ขอ 16 กิโลเมตรคือ 1 โยชน์นั้น 16 กิโลเมตรกี่โดเอ่อ เทลงไปในหลุมนี้ทุกๆลงไปในหลุมนี้ทุกๆร้อยปีอีกร้อยปีถัดมา 1 เทกลับ 1 กลับยังไม่สิ้นดีแล้ว แม่น้ําอัจฉราวดีแม่น้ําสระปูแม่น้ําทั้งหลายเนี่ยเอามารวมกันเมล็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ําต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามารวมกันรวมกันแล้ว 1 เมล็ดทรายเท่ากับ 1 กัป 1 เมล็ดทรายเท่ากับ 1 กัป คุณมีความสุขบ้างคุณมีความทุกข์บ้างก็มีถูกเอาเฉพาะเอ่อที่ว่าเรามีความทุกข์เอาน้ําแต่เนี่ย ชาตินี้ชั้นอาจจะมีน้ําตา 2-3 ขัน 2-3 ขันบางคนอาจจะมีสัก 7-8 2-3 7-8 แกลลอนก็ เราเจอผ่านประสบการณ์เพิ่มขึ้น 4 เนี่ยโอ้โหถ้ามาฟังคิดดูมันนับ 1 จนถึง 1 นะนั้นนับ 1 นับ 1 ยังต้องนับไปอีกจน นายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าโอ๊ยแค่ถ้าเรารู้แค่นี้ 1 โยชน์เนี่ยคือ 16 กิโลเมตรเนี่ย คนอ่อนล้าคนคน 16 กมเลยเอา 16มนี่มึงดีกว่าเหนื่อยๆแล้วมันจะ ตามที่เป็นจริงเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าอะไร น่าเห็นคนเป็นโร่งเรือนชนตุโอ้โหน่าเกลียดเราผ่านมาแล้วแน่นอนฟันธงนะพุทธชาบอกงี้เดี๋ยวหรือถ้าเราเห็นคนที่เค้ามี ชาตินี้ชีวิตชั้นมันโอ้โหแย่จังมีหนี้ก็มีหนี้นะชีวิตความเป็นอยู่ก็ๆแล้วๆชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับอยู่บนสวรรค์อย่างนี้เลยแต่ มันไม่มีเนี่ยไม่มีไอ้ความสุขความทุกข์นั้นก็มีความสุขก็มีความทุกข์เราเคยผ่านมาหมดแล้วแน่นอนนะอย่าไปยินดี นะมันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับไปได้ แต่เพราะนั้นเมื่อเรารู้สุขรู้ทุกข์ที่จะต้องผ่านเข้ามาผ่านออกไปแล้วเนี่ยให้เห็นสุขจริงเห็นตามที่เป็นจริงๆด้วย 2 ตาด้วย ผ่านทางตาได้ยินผ่านทางหูไปรับรู้ถึงต่างใจให้ใจเราเนี่ยมารู้ว่า เป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ของที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ตัวเราเองก็เหมือนกันน้อมเข้า มีเห็นตามที่เป็นจริงแล้วที่เป็นสมาธิมีกําลังแล้วเห็นตามที่เป็น